คนเป็นอันมากนั้นเมื่อไม่ได้เพื่อจะออกไปภายนอกก็พากันครอบครววเที่ยวไปภายในพระนครนั่นเองฝ่ายพระโพธิสัตว์ถูกนำไปสู่หลุมที่บูชายันลําดับนั้นพระมารดาของพระโพธิสัตว์ทรงพระนามว่าโคตมีเทวีซบลงแทบบาดทะมูลของพระราชาทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ ขอพระองค์จงประทานชีวิตแก่บุตรทั้งหลายของข้าพระองค์จงกันแสงพลางทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพข้าพระองค์จักเป็นบ้ามีความเจริญถูกขัดจัดแล้วมีสรีระเหมือนเกลือกลั้วด้วยทุลีถ้าเขาข้าจันทกุมารลมปราณของข้าพระองค์ก็จะแตกทําลายข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ ข้าพระองค์จักเป็นบ้ามีความเจริญถูกขจัดแล้วมีสรีระเหมือนเกลือกล้วด้วยทุลีถ้าเขาฆ่าสุริยกุมารลมปราณของข้าพระองค์ก็จะแตกทำลายบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ามีความเจริญถูกขจัดแล้วภูณหตาได้แก่ถูกขจัดความเจริญข้อว่าเหมือนเกลือกล้วด้วยทุลี ปังสุนาวะปริกินนาความว่าข้าพระองค์มีสรีระเหมือนเกลือกล้วด้วยฝุน่นจักเป็นบ้าเที่ยวไปพระนางโคตมีเทวีเมื่อคร่ำครวญอยู่อย่างนี้มิได้รับพระดำรัสอย่างไรจากสำนักพระราชาจึงทรงกล่าวแก่พระสุนิสาทั้งหลายว่าชรอยลูกเราโกรธเจ้าแล้วจึงจักไปเสียกระมัง เหตุไรเจ้าไม่ยังเขาให้กลับมาทรงสวมกอดชายาทั้งสี่ของพระกุมารแล้วก็ทรงกล่าวคร่ำครวญว่าสภัายของเราเหล่านี้คือนางคาติกานางอุปริขีนางโคปรักขีและนางคายิกาล้วนกล่าววาจาเป็นที่รักแก่กันและกัน เพราะเหตุไรจึงไม่ฟ้อนรําขับร้องให้จันทกุมารและสุริยกุมารรื่นรมเล่าใครอื่นที่จะเสมอด้วยนางทั้งสี่นั้นไม่มีบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าสะพ้าเหล่านี้เพราะเหตุไรจึงไม่ให้จันทกุมารและสุริยกุมารรื่นรมเล่ากินนุมาณนะระมาเปยุงความว่า เพราะเหตุไรสภาทั้งสี่มีนางคาติกาเป็นต้นนี้ล้วนกล่าวคำที่พึงใจแก่กันและกันฟ้อนรำขับร้องในสำนักของพระจันทกุมารและพระสุริยกุมารอยู่ก็ไม่ทาให้ราชโอรสทั้งสองของเราเพลิดเพลินคือไม่ให้กระสันขึ้นแล้วอธิบายว่ายิ่งอยู่ในการฟ้อนรำหรือขับร้องในชมพูทวีปทั้งสินนี้ ใครอื่นที่จะเสมอด้วยนางทั้งสี่นี้ย่อมไม่มีพระนางทรงครื่องครวญพร้อมพระสุนิสาดังนี้แล้วเมื่อไม่เห็นอุบายอันควรถืออย่างอื่นจึงทรงกล่าวคาถาแปดคาถาแช่งด่ากันดหาละพรามว่าเน่เจ้ากันดหาละความโศกเศร้าใจใดย่อมเกิดมีแก่เราในเมื่อจันทกุมารถูกเขานำไปเพื่อจะฆ่า แม่ของเจ้าจงได้ประสบความโศกเศร้าใจของเรานี้แน่เจ้ากันดาห์ละความโศกเศร้าใจใดย่อมเกิดมีแก่เราในเมื่อสุริยกุมารถูกเขานำไปเพื่อจะฆ่าแม่ของเจ้าจงได้ประสบความโศกเศร้าใจของเรานี้แน่เจ้ากันดาห์ละความโศกเศร้าใจใดย่อมเกิดมีแก่เราในเมื่อจันทกุมารถูกเขานำไปเพื่อจะฆ่า ภรรยาของเจ้าจงได้ประสบความโศกเศร้าใจของเรานี้แน่เจ้ากันดหาห์ละความโศกเศร้าใจใดย่อมเกิดมีแก่เราในเมื่อสุริยกุมารถูกเขานำไปเพื่อจะฆ่าภรรยาของเจ้าจงได้ประสบความโศกเศร้าใจของเรานี้แน่เจ้ากันดหาห์ละเจ้าได้ให้ฆ่าพระกุมารทั้งหลายผู้ไม่คิดประทุษร้ายผู้องค์อาจดังราชสี แม่ของเจ้าจงอย่าได้เห็นพวกลูกๆและอย่าได้เห็นสามีเลยแน่เจ้ากันดหาละเจ้าได้ให้ข้าพระกุมารทั้งหลายผู้ที่ชาวโลกทั้งปวงมุ่งหวังแม่ของเจ้าจงอย่าได้เห็นพวกลูกๆและอย่าได้เห็นสามีเลยแน่เจ้ากันดหาละเจ้าได้ให้ข้าพระกุมารทั้งหลายผู้ไม่คิดประทุษร้ายผู้องอาจดังราชสี ภรรยาของเจ้าจงอย่าได้เห็นพวกลูกๆและอย่าได้เห็นสามีเลยแน่เจ้ากันดหาละเจ้าได้ให้ข่าประกุมารทั้งหลายผู้ที่ชาวโลกทั้งปวงมุ่งหวังภรรยาของเจ้าจงอย่าได้เห็นพวกลูกๆและอย่าได้เห็นสามีเลยบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าของเรานี้อิมังไมหังความว่า ความโศกเศร้าใจของเรานี้จัดเป็นทุกข์คำว่าจงได้ประสบปฏิมุญจตุความว่าจงเข้าไปคือจงถึงคำว่าเจ้าได้ให้ข้าโยคาเตสิได้แก่เจ้าใดได้ให้ข้าคำว่าผู้ที่ชาวโลกทั้งปวงมุ่งหวังอเปกขิเตความว่า เจ้าย่อมให้ข้าผู้ที่ชาวโลกทั้งปวงเพ่งดูอยู่คือเห็นอยู่พระโพธิสัตว์เมื่อทูลวิงวอนพระบิดาที่หลุมยันจึงทูลว่าขอเดชะพระองค์อย่าได้ทรงฆ่าข้าพระองค์ทั้งหลายเสียเลยโปรดพระราชทานข้าพระองค์ทั้งหลายให้เป็นทาสของกันดหาละปุโรหิตเถิดพระเจ้าค่าถึงแม้ข้าพระองค์ทั้งหลายจะถูกจองจาด้วยโซ่ใหญ่ ก็จะเลี้ยงช้างและม้าให้เขาขอเดชะพระองค์อย่าได้ทรงฆ่าข่าพระองค์ทั้งหลายเสียเลยโปรดพระราชทานข่าพระองค์ทั้งหลายให้เป็นทาสของกันดาหาละอุโรหิตเถิดพระเจ้าค่าถึงแม้ข่าพระองค์ทั้งหลายจะถูกจองจำด้วยโซ่ใหญ่ก็จักขนมูลช้างให้เขาขอเดชะพระองค์อย่าได้ทรงฆ่าข่าพระองค์ทั้งหลายเสียเลย โปรดพระราชทานข้าพระองค์ทั้งหลายให้เป็นทาสของกันดาหาละปุโรหิตเถิดพระเจ้าค่าถึงแม้ข้าพระองค์ทั้งหลายจะถูกจองจาด้วยโซ่ใหญ่ก็จะขนมูลมาให้เขาขอเดชะพระองค์อย่าได้ทรงฆ่าข้าพระองค์ทั้งหลายเสียเลยโปรดพระราชทานข้าพระองค์ทั้งหลายให้เป็นทาสของกันดาหาละปุโรหิตตามที่พระองค์มีพระประสงค์เถิดพระเจ้าค่า ถึงแม้ข้าพระองค์ทั้งหลายจะถูกขับไล่จากเว่นแคว้นก็จะเที่ยวพิกขาจา์เลี้ยงชีวิตขอเดชะหญิงทั้งหลายผู้ปรารถนาบุตรแม้จะเป็นคนยากจนย่อมวอนขอบุตรต่อเทพเจ้าหญิงบางพวกละปฏิพานแล้วไม่ได้บุตรก็มีหญิงเหล่านั้นย่อมกระทำความหวังว่าขอลูกทั้งหลายจงเกิดแก่เราแต่นั้นขอหลานจงเกิดอีก ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐพระองค์อย่ารับสั่งให้ข้าข่าพระองค์ทั้งหลายเพื่อต้องการทรงบูชายันโดยเหตุอันไม่สมควรข้าแต่พระบิดาคนทั้งหลายเขาได้ลูกเพราะความวิงวอนเทพเจ้าขอพระองค์อย่ารับสั่งให้ข้าข่าพระองค์ทั้งหลายเลยอย่าทรงบูชายันนี้ด้วยบุตรทั้งหลายที่ได้มาโดยยากเลยพระเจ้าข้าข้าแต่พระบิดา คนทั้งหลายเขาได้บุตรเพราะความวิงวอนเทพเจ้าขอพระองค์อย่ารับสั่งให้ฆ่าฆ่าพระองค์ทั้งหลายเลยพระเจ้าค่าโปรดอย่าได้พราะฆ่าพระองค์ทั้งหลายผู้เป็นบุตรที่มารดาผู้ทุกข์ยากได้มาจากมารดาเลยพระเจ้าค่าบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าเทพเจ้าทิพยังความว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ นาลีทั้งหลายผู้ไร้บุตรแม้เป็นผู้ยากจนก็เป็นผู้มีความต้องการบุตรนำบรรณาการเป็นอันมากไปวอนขอเท พ, พเจ้าว่าขอข้าพเจ้าได้ซึ่งลูกชายหรือลูกหญิงคําว่าละปฏิพานแล้วปฏิพานานิปิหิตวาความว่าแม้ละแล้วคือไม่ได้แล้วซึ่งการตั้งคันมีคําอธิบายไว้ว่า ขแต่มหาราชก็ขันของนารีทั้งหลายผู้ไม่ได้การตั้งขันเกิดขึ้นแล้วย่อมสูบซีดไปฉิบหายไปในบรรดาหญิงเหล่านั้นบางพวกเมื่อไม่ได้บุตรก็ขอบางนางละเลยการตั้งขันที่ได้แล้วไม่บริโภคไม่บำรุงรักษาก็ไม่ได้ซึ่งบุตรบางนางเมื่อไม่ได้การตั้งขันก็ไม่ได้ซึ่งบุตร แต่มารดาของข้าพระองค์ได้แล้วซึ่งการตั้งครันและบริโภคบำรุงรักษาและไม่ได้ปล่อยให้คันที่เกิดขึ้นแล้วพินาศไปเสียจึงได้บุตรทั้งหลายพระราชกุ ม, มารทรงวิงวอนว่าขอพระองค์อย่าได้ฆ่าข้าพระองค์ทั้งหลายอันเป็นราชบุตรที่ได้มาด้วยประการชนีคําว่าความหวังอัศสาสักกานิความว่า ข้าแต่มหาราชสัตว์เหล่านี้ย่อมกระทาความหวังว่าอย่างไรขอบุตรทั้งหลายจงเกิดแก่เราคำว่าแต่นั้นหลานตะโตจักปุตตาความว่าขอบุตรทั้งหลายจงเกิดแม่แก่บุตรทั้งหลายของเราด้วยข้อว่าข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยเหตุอันไม่สมควรอถะโนอาการะนัสมา ความว่าเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ได้ชื่อว่าข่าพวกฆ่าพระองค์เพื่อประโยชน์แก่การบูชายันด้วยเหตุอันไม่สมควรเลยคําว่าเพราะความวิงวอลเท พ, พเจ้าอุปยาจิตเตเกณะได้แก่ด้วยความวิงวอลเทพทั้งหลายด้วยคําว่าที่มารดาผู้ทุกข์ยากได้มากัปณ ะ, ะลัทธเกหิราชโอรสตรัสว่า ขอพระองค์จงอย่าได้พรากมารดาของพวกข้าพระองค์กับพวกข้าพระองค์ซึ่งเป็นบุตรที่มารดาพูดทุกยากได้มาเลยคือขอจงอย่าทำข้าพระองค์ทั้งหลายให้พลัดพรากจากมารดาเลยพระจันท ก, กุมารแม้เมื่อทูลวิงวอลด้วยอาการอย่างนี้ก็ไม่ได้คำตอบอะไรๆจากสํานักพระบิดาจึงหมอบลงแทบบาดทรมูลของพระมารดา พลางปริเทวนาการทูลว่าข้าแต่พระมารดาพระมารดาย่อมย่อยยับเพราะทรงเลี้ยงลูกจันทกุมารมาด้วยความลำบากมากลูกขอกราบพระบาทพระมารดาขอพระราชบิดาจงทรงได้ประะโลกเถิดเชิญพระมารดาทรงสวมกอดลูกแล้วประทานพระยุคลบาทให้ลูกกราบไหว้ลูกจะจากไปณบัดนี้ เพื่อประโยชน์แก่ยันของพระราชบิดาเอกราชเชิญพระมารดาทรงสวมกอดลูกแล้วประทานพระยุคลบาทให้ลูกกราบไหว้ลูกจะจากไปณบัดนี้ทําความโศกเศร้าพระไทยให้พระมารดาเชิญพระมารดาทรงสวมกอดลูกแล้วประทานพระยุคลบบาทให้ลูกกราบไหว้ลูกจะจากไปณบัดนี้ ทำความโศกเศร้าใจให้แก่ประชุมชนบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าทรงเลี้ยงลูกจันทกุมารมาด้วยความลำบากมากพระหุทุกขโปิยาได้แก่พระมารดาทรงเลี้ยงลูกมาโดยความลำบากมากคําว่าลูกจันทกุมารจันทงังความว่าข้าแต่พระแม่เจ้าพระองค์ทรงเลี้ยงหม่อมฉันผู้เป็นบุตร คือพระจันท ก, กุมารด้วยประการชนิบัตินี้พระแม่เจ้าย่อมทรงชราลงข้อว่าขอพระราชบิดาจงทรงได้ประโลกเถิดและผะตังตาโตปรโลกังความว่าขอพระราชบิดาของข้าพระองค์จงได้ประโลกอันสมบูรณ์ด้วยโภคะเถิดคําว่าทรงสวมกอดอุปคุยหะได้แก่ จงสวมโกรธคือโอบโกรธคำว่าจะจากไปปวาสังความว่าเป็นการพลัดพรากจากไปอย่างแท้จริงโดยไม่ได้หวนกลับมาอีกลำดับนั้นพระมารดาของจันท ก, กุมารเมื่อจะทรงป ร, ริเทวนาการจึงตรัสคาถาสี่คาถาว่าลูกของแม่โคตมีมาเถิดเจ้าจงรัดเมาลีด้วยใบยบัว จงประดับดอกไม้อันแซมด้วยกลีบจำปานี่เป็นปกติของเจ้ามาแต่ก่อนมาเถิดเจ้าจงไลทาเครื่องรูปไลคือจุนจันแดงของเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายเจ้ารูปไลด้วยจุนจันแดงนั้นดีแล้วย่อม ง, งดงามในราชบริษัทมาเถิดเจ้าจงนุ่งผ้ากาศิกพัดอันเป็นผ้าเนื้อละเอียดเป็นครั้งสุดท้าย เจ้านุ่งผ้ากาศิกพัดนั้นแล้วย่อมงดงามในราชบริษัทเชิญเจ้าประดับหัตถาพรณ์อันเป็นเครื่องประดับทองคําฝังแก้วมุกดาและแก้วมณีเจ้าประดับด้วยหัตถาภรณ์นั้นแล้วย่อมงดงามในราชบริษัทบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าใบาบัวปทุมะป ต, ตานังความว่า ซึ่งเครื่องประดับอย่างหนึ่งชื่อว่าปัทุมะปัตตะเวทนะผ้าโพกสำหรับรัดเมาลีทําคล้ายใบบัวพระนางโคตมีทรงพระประสงค์เอาเครื่องประดับนั้นนั่นแหลจึงตรัสอย่างนั้นอธิบายว่าเจ้าจงรวบขึ้นซึ่งเมาลีของเจ้าอันกระจัดกระจายแล้วจงพันด้วยปัทุมปัตตะเวทนะ พระนางทรงเรียกพระจันทกุมารด้วยคําว่าลูกของแม่โคตมีโคตมีปุตตะคําว่าอันแซมด้วยกลีบจําปาจําปะกะทละมิตสาโยความว่าเจ้าจงประดับระเบียบดอกไม้นานาชนิดอันสมบูรณ์ด้วยสีและกลิ่นแซมด้วยกลีบจําปาสอดสลับณภายในด้วยคําว่านี่ของเจ้า เอยสาเตน้พระนางพร่ำว่านี้เป็นปกติของเจ้ามาแต่ครั้งก่อนจงรูปไร้เครื่องรูปไร้เครื่องจุนจันนั่นนั่นแล่ลูกคำว่าด้วยจุนจันแดงเยหิจะความว่าเจ้ารูปไร้ด้วยเครื่องรูปไร้คือจันแดงเหล่าใดแล้วเจ้าจะงดงามในราชบริษัทเจ้าจงรูปไร้ด้วยเครื่องรูปไร้คือจุนจันแดงเหล่านั้นเถิด คำว่าผ้ากาสิกพัทกาสิกังได้แก่ผ้าแควนกาสีอันมีค่าแสนหนึ่งคำว่าประดับคันหัดสุได้แก่จงตกแต่ง